พาการตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้หแน่วแน่อยากให้ใจคงส่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาไป็นตรงต้อเทียงกันเพื่ออบรมจิตให้เขาถึงความสงบ อันเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่การปฏิบททัติทางจิตใจหลังจากในตวทานสินได้รับศาสติ่งให้บริสุแล้วจิตใจก็คงจะเพื่อมบานของแท้เหมาะสำหรับที่จะทำใจใหส้สงบได้ ใจที่จะทำคตรงได้ก็เพราะไม่มีบากรากวนการอกอที่ทำคมตรงได้ดังจะเห็นได้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไวน้เป็นหมวดเป็นหมู่อันนั้นก็อุปมาเหมือนอย่างตา ม, มุธสำหรับที่จะ กำจัดภาศึกที่มาลุกลามประเทศชาติบ้านเมืองให้ถอยหนีไปมันก็ต้องมีรายอย่างประกอบกันก็จึงสามารถเอาสนะข้าตึกได้ถ้าาพียงมีเพียงอันเดียว อ, อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอานสนะขาตึกได้ ยิงเร็วก็มีอาวุธที่ถือติดตัวไปด้วยก็มีอาวุธที่มีฐานตั้งสาหรับยิงไปไกลอันนี้ก็มีถึงประเด็นแล้วก็จงค่อยเอาชนะคาสิได้อันนี้ทันใด้าสิคือกีเร ในแก่ความโลกความโรองความหลงมานัสิทธิสัะสังธิเลตโนยใหญ่ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี่มันก็มีเลขเดี่ยวมีมายาหลายสิ่งหลายประการสำหรับหลอกลวงจิตใจให้หลงให้เข้าใจผิดไป ดังนั้นรธรจจรมะมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลตเองมันก็จะมีเป็นหมวดที่รพระศาสดาทรงแสดงไว้หมวดสามมีหมวดดี่หมวดห้าไปเนี่ยมีทั้งนั้นเลยเราจําเป็นเราต้องมาตรีตรองให้มันเห็นให้มันเห็นเหตุผลแห่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นว่าข้อปฏิบัติเหล่านั้น ทำหน้าที่กำจัดีิเลสอย่างไรบ้างอย่างนี้มันต้องพิจารณาให้เหเช่นข้อปฏิบัติคือฐานอย่างนี้มันก็มีหน้าที่กำจัดความโลภความตันิออกจากจิตใจของคนตามปกติเมื่อจิตมีไม่ได้ึลผลอบรมนี่ความตัน่งหงแหนมันก็ ม, มี อยู่ในใจมาแต่ไหนแต่ไรเลยมันเป็นเหตุให้คนเราสร้างบุญบารมีให้เต็มไม่ได้ง่ายๆก็เพราะอาศัยความสน่ความโลกอันนี้ เ, เป็นมูลเกตฑเมืม่อเานะหีหัวแหงแล้วใครทานก็ไม่ได้รักษาสินก็ไม่ได้เนื้อ ม, มันจะรักษาสิน คอบคัวจะได้ตกใจเงินไง้องไปซื้ออาหารเขาทำสำเร็จทุกแล้วมาบริโภคเสียเงินเสียทองมากต้องไปหาตกเบ็ดจับปลหลาเนื้ออะไรมาทำอาหารบริโภคถึงจะเสียเงินน้อยคนตีเนี่ยมีเงินมากๆก็รับสารีไม่ได้ มันก็เพราะเหตุนี้เองและเพราะฉะนั้น่ะควรพากันให้ควรดูให้ดี<ม>เราจะเอาสินไว้หรือจะเอาเงินไว้นั่นถ้า เ, าเอาเงินไว้สินก็ไม่มีก็เป็นบาปเป็นโทษบาปกรรมนั่นก่อนนำกิจวิญญาณนี้ไปสู่ภพในโลกหน้าต่อไป ถ้าเอาศีลเช่นน <al> ี <out> ้มันก็จะได้บุญได้กุศลปิดตัวไปบาปก็จะไม่แทรกแตงให้เกิดขึ้นในจิตใจพราะศีลนี้เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปอุปสนต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจบากทั้งหลายเกิดขึ้นท่อความเรียนเรียนซึ่งกันและกัน ถ้าไม่เียนเยียนกันแสดงบาปก็ไม่มีเนตที่จนาน่าให้มันเห็นคุณแห่งทานแห่งศีลเหล่านี้ผู้ใดที่นายเห็นคุณแห่งทานแห่งศีลอย่างนี้มันก็รักษาได้ให้ทานก็ให้ได้เพราะว่าตนนั้นกลัวแต่อดอยากลำบากไปสู่โลกหน้าหากาต้องเกิดอีบ ก, ก็อย่าให้อดให้ยาก ให้มีอยู่มีกินการที่มันจะมีอยู่มีกินได้ในโลกหน้าก็เพราะว่าอาศัายผู้นั้นได้ทําทานไว้แต่ในโลกนี้อย่างนี้แหละไปสู่โลกหน้าผลทานนี้ก็จะไปตกแต่งให้ไม่อดไม่อยากอะไรยอย่างนี้มื่คิดเห็นว่าเมื่อตนรักษาติดเนะนี่ยต้นก็จะไม่ได้มีบาปติดตัวไปสูงปุ๊บ ายในวัฏสงสารนี้จะจากเป็นผู้ที่เรียกว่ามีสุคติเป็นที่ไปดังในท้ายศีลที่ท่านให้นั่นทีเลยนะสุคติยานติผู้มีสินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้ก็เมื่อบุคคลมาพิจารณาเหตุผลของการรักษาศีล มันแจ็แยง้ยงอยู่ในใจอย่างนี้แล้นะก็มันก็พอใจรักษาแหละคนเราถ้าอยตุผลอย่างนี้ไม่เจ็มแยง้ยงอยู่ในใจมันก็ไม่ต้องการจะรักษามันเลยเพราะมีเนตตัญหาความอยากต่างๆ ม, มากมายเหลือเกินมันชักชวนให้ขอนขวยหาอะไรต่ออะไรแม้จะเป็นบาปเป็นกรรมก็ย อ, อมเข้าเป็นเรื่อง สามาันก็เป็นอย่างนั้นนัง น, นั้นแหละคนพากันใข้คนที่เจรณานลูอันนี้แหละอาวุธคือธรรมะปฏิบัติในรธรรมศาสนานะสล้หรับเป็นเครื่อขงขจัดศัดตรูคือกิเลสบาปธรรมต่างๆดินความโลภความโกรธปุถุ บุคคลผู้ที่มั่นในศีลแล้วก็ย่อมจะไม่โกรธถ้าโกรธขึ้นมาแล้วก็กลัวว่าศีลจะเข้าหมองหรือจะขาดไปนี่แล้วก็อดกั้นทนทานต่อความโกรธได้แถมยังมีภาวนามัยเข้าไปอีก ม, มาฝึกผลจิตใจที่ไม่สงบไทัสงบล้องธรรมรามู้มีศีลอันบริสุทธิ์ได้ยังไม่มีบาป อยู่ในใจนะใจย่อมสะอาดออย่อมสงไัยดังนั้นเมื่อ น, น้อมเข้าไปสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายมันไม่มีบาปมารอบครให้พุ่งท่าลงทานไปกัต่างนานาดังนั้นภาวนาเนี่ยก็จึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำถ้าไม่ภาวนา ก็ถอนรากของบาปอภิษณต่งางๆตลอดถึงรากเน่าของกิเลสตัณหาอันละเอียดอ่อนก็ถอนออกไม่ได้เลยเพราะว่าบุญบาปบารีมันอยู่ที่จิตใจนี่กิเลสทั้งหลายมันอยู่ที่ใจนี้หมดเลยไม่ได้อยู่ที่อื่นดั้นการที่จะถอนรากของกิเลสออกได้ ก็อาศัยการน้องจี่เข้าถึงความสงบก่อนไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมุ่งหวังอะไรในขณะที่นั่งนั่ที่ภาวนาอย่างนี้มุ่งแต่อย่าทำใจให้สงบเท่านั้นมุ่งทำใจให้เป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไร ตั้งความมุ่งในใจว่าอย่างนี้นะการภาวนาถ้าใครไม่ตั้ความหวังไว้ในใจอย่างนี้แนละ้วยากเหลือการที่จิตมันจะสงบ น, นนะน่ะเพราะว่ามันไม่มีจุดหมายนี้ถ้าเรามีจุดหมายว่าเขาก็จะน้อมจิตลงสู่ความสงบแบบเขานี่เราจะไม่คิดอ่านการงานใดๆทั้งหมดเลย จะเหน็นว่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็น้อมสติเข้าไปควบุมจิตอยู่ภายใานมันกหยุดลงได้มันมันก็หยุดคิดได้น้อมสติระลึกเข้าไปกลมหายใจเข้าออกนี่ไหระล้วอย่างลไปหาจิตคือความรู้สึกอันนะั้นความรู้สึกมันอยู่ตรงไห น, น, น เราน้มสติลงไปสู่ตรงนั้นไอ้จิตที่มันได้ชะงองอยู่ได้เพราะว่าสติมันหา่างสติมันไม่เข้าถึงใกล้ชิดกับดวงจิตเลยมันจึงพวกคุมความคิดไม่ได้จิตนี้นะมันจะชงงได้อาศัสยสติแท้ๆขอให้เข้าใจอย่าไปอย่างคื่นเลย พยายามสร้างสติให้เกิดขึ้นในจิตให้สติเนี่เข้าไปควบคุมจิตเมื่อสติเป็นอย่างเราถึงจิตแล้วจิตก็สงบได้เมื่อจิตสงบแล้วเราก็ยาวรักษาความสงบอันั้นไปอย่าเผลออย่าไปชอบอยากคิดอ่านอะไรก่อนขอให้จิตเมันสงบอยู่ได้นานพอสมควร เห็นว่าติตตั้งมั่นดีแล้วฉะ น, นี้ก็จึค่อยคิดว่าใ น, นต้องการจะรู้อะไรจะรู้เรื่องบาปบุญทุนโทษประโยชน์หรงไม่ใช่ประโยชน์หรือประโยชน์อย่างนี้คือพระนิพพานอยากจะรู้เรื่องอะไรก็กำหนดทีจนาเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องที่จะให้เราพิจรนารณาเน่ยมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละ ตัวเองยังไม่รู้แจ้งในสิ่งใดยังไม่เข้าใจสิ่งใดในธรรมคำสอนของพระเจ้านะก็ต้องน้อมลึกพิจารณาสิ่งนั้นแหละมีหัวใจสงบแล้วนะนั่นแหละแต่ว่าในทางวิปัสสนาภาวนานั้นโดยเฉาะั่าก่อนสอนให้กำหนดพิจารณาฐานหาเลย ก่อนก่อนสิ่งคื่นทั้งหมดเลยเมื่อพิจารณาขันธ์ห้าดูชัดตามไปจริงแล้วต่อไปก็อยากจะพิจารณ์เรื่าานะอ ง, ง อ, อะไรก็พิจารณาไาเนย้่านั้นท้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่ในขันธ์ห้านี่มันสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริง มันยึดถือด้วยความยินดีพรายึดถือไว้ด้วยความยินร้ายยึดถือไว้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจนี่มันยึดถือขันท้าอยากรู้จักว่าจิตยึดถือขันท่านั่นกนะ็ต้องลองทั้งเจตด้วยถ้ามีใครมาลุด่าว่าตาวเข้าไปอย่างนี้นั้นใจมันจะเป็นยัง ไ, ไ, ไงอะ ถ้ามันหุดห ง, งิดมันสูนเฉียวขึ้นมาอมก็นั่นแนสดงว่าจิตมันยึดถือขันห้าไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าหากว่าใจกระทบกระทั่งในอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างว่าจิตใจมันรู้เท่าทัานได้มันไม่หุดห ง, งิดไม่สูนเฉียวมันรู้ว่าเสียงดา่าเสียงว่ามันเป็นแต่ภาต เป็นแต่สภพาว่าธาตุนาฬิวธาตุธาทุธาตุธาตุหือเสี่ยงถ้ามันรู้ทันอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียนร้ายอะไรกับสภาะวาธาตุเหล่านั้นนี่อาศัยความรู้นะแด่ที่จิตจะไ ม, ม่หวั่นไหวเนี่ยเพียงรำพันไปจิตสงบอยู่เิยเนี่ยมันหวั่นไหวได้ถ้ามันมีปัญญากำกับ แน่นอนแหละคนเราถ้าทําใจให้สงบลงไปได้แล้วปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ในนั้นมันเตรียมพร้อมอยู่เมื่อมีเหตุอะไรกบเข้ามากําหนดนิยนาเหตุนั้นได้เลยเพื่อใหให้ถึงความจริงของเหตุนั้นั้นหมายความว่านะพรกันะนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจเหตุผล ของการภาวนานดาบารมีแลนะ้ผู้นั้นก็ขยัน่ยภาวนานไม่เกียรตครั้งเลยเพราะถ้าว่าตนไม่ภาวนานแล้วจิตนี่มันจะต้องสร้างกิเลส ข, ขึ้นพุ้มพอโตใเญงไว้เลยกิเลสจะพุ่มพอจิตไม่ให้หนาขึ้นไปเรื่อยๆในผู้ไม่ภาวนาน่ยมันเป็นยังไงเพราะว่า อัจิตที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิคุ้มครองอยู่แล้วมันมันก็เหมือนอย่างจงพอมาเหมือนบ้านเรือนที่ไม่มีไม่ได้ปิดประตูนหน้าต่างไม่ได้ลงกรเวลาจะหลับจะนอนไม่ได้คาดึกมันเห็นว่าบ้านนี้ไม่ปิดประตูมันก็สามารถ ขึ้นไปย่องเบาเอาสิ่งของของคนนั้นไปได้สบายนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่มีสติไม่มีสรมผิสผู้คลองจิตใจไว้ที่เรสมันเห็นว่าใจมีห้องโอ้โสามารถแทรกแต่งได้ที่เรนมันก็แทรกแต่งขึ้นมาในใจทันทีเหยียดทำให้ใจ พุ่งท่าเพื่อนลอยไปหาความสงบไว้ได้อ็ออจะร น, นไะเมื่อเมืดด่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นไมไ่ต้องมีสมาธมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในจิตใจในี้เสมอ ไปเมื่อเวลานั่นสมาธิอําใจให้สงบได้โดยวิธีได้เมื่อออกจากสมาธิมาแล้าาวก็มีสติรักษาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่เรื่อยไปจะไม่ต้องคิดอะไรยอย่างนั้นเหรอคิดโย่จะว่าคิดแบบมีสมาธิแบนแบนี้สติ แบบรู้เท่าหมายรอยเนเมื่อเราคิดถึงเนื้ออะไรก็รู้เท่าเนื้ออันนั้นรู้เรื่องที่คิดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาแต่มันจำเป็นต้องคิดเช่นอย่าว่าผู้ครองเรืเ่องอยากคิด่านการงานการทำมาหาเรื่องที่มุมนี้มันก็จำเป็นต้องคิดแหละ เมื่อมันยังไม่รู้การการสิ่งใดแต่ว่าเมื่อมี ส, สติมีสวาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่้จะคิดไปมันก็ไม่เสียใจมีใจไม่เศร้าโศกคิดไปถึงเรื่องใดถ้ามันผิดหวังก็ไม่เสียใจถ้ามันสมหวังก็ไม่ดีใจเพื่อเกิเนเกินประวันสามารถรักษาจิตให้เป็นกลาง ต่อการงานต่อหน้าที่แนั้นไปเมื่อรักษาจิตใจให้เป็นสวาสิไปปัญญามันก็กลั บ, ลบไปพรอะเมื่อมีเห็นเป็น ง, งามอะไรกระทบทั่งมาในขณะที่ทำการทา ง, งานอยู่หมนูนนันนะมันก็รู้เท่าทันเลยรู้ว่าเหนุที่ไม่เหตัวมันก็ไปยึดถือเอามันก็กำหนดปล่อยว่า ถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องทะเลาะวิวาส <c oughs> กับคน อ, อย่างนี้นะก็ไม่ทะเลาะไม่ยอมทะเลาะนะตามหีกเนี่ยจากการทะเลาะวิวาสนั้นอะไรเนี่ยการจะตัดสวาธิปัญญา ให้เกิดขึ้นในสิตใจแล้วมันเอาไ้ใช้ได้ทุกเวลาเลยแบบนี้สติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ให้แต่เวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วใจจึงสงบลงเท่านั้นพอออกจากสมาธิภาวนาแล้วใจมันยังวนไหวตออารมณ์ภาย น, อนารอบคำถางที่กระทบกระทัามาอยู่อย่างนั้น นั่นไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีสติสมาธิปัญญาเลยเดี๋อวปล่อยให้สมาธิถอนออกจากจิตใจไนดะ้ผู้นัน้นให้เพิ่รู้จักถหงผงหวายของการภาวนาพระศาสดราตรงให้บุคคลภาวนานักศักษาสมาธินั้นใช้การใช้างานสม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันทั้งคืน อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาเป็นก็จึงไม่ก่อสร้างตักทงกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจของตนพ้าผู้ใดไม่เข้าใจถหนของการทํำสมาธ <milliseconds. S 1> <tan> enfin ิภาวนาอย่างนี้น่ะก็จะไม่สามารถขจัดกิเลสบาประธรรมออกจากจิตใจของตนได้ถึงแม้ขจัดก็ขจัด ไปรวบป่าตระยักนั่งสมาีิภาวนาทานเมื่อออกจากสมาธิภาวนาเลยพี่เล็กมันก็เดินตามหลังมาอย่างนี้มันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นต้องพากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเหตุผลอย่างนี้แล้วมันก็ทําได้ที่เมื่อออกจากสมาีิภาวนาเนลวลาที่มีสติประคองจิตใจไว้เสมอเมื่อเวลามี จิตวิระอะไรที่นอกคิดเราก็ตั้งใจคิดไม่ใช่คิดอย่างลอยๆมีสติมีสมาธิตั้งเป็นฐานลงไปแล้วกับคิดแล้วแบนี้ความคิดเนีคือคือตัวปัญญาเี่เองือนไม่ใช่คิดตามสัญญาอารมณ์ไป้เฉยๆคิดแบบคนมีปัญญาเลยนะแม้ว่าจะคิดอ่านการงานทำมาหาเรื่องจิตใดรก็ตาม คิดแบบมีเหตุมีผลมองเห็นลูป้านที่จะทำการทำงานนั้นนั้นให้ทะลุคูป่งไปได้ด้วยดีธรรมดาคนมีปัญญาก็เป็นนั้นเมื่อเวลามานั่งสมาธิภาวนาสงบจิตอย่างนี้็ระยับเปเบกิคิด่านการงานให้คิดดูเฉพาะแต่ขันธานี้ตะกอน เท่งเพราขันห้าดีเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเห็นแล้วเห็นอีกอยู่หน่าเห็นความไม่เที่ยงของขันห้าเห็นความเป็นทุกตนได้ยากลํำบากทนอยู่ไม่ไหวของขันห้านี้นี่ยเห็นความเป็นอนัตตาบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังให้เป็นไปตามใจหวังของขันห้านี้ ต้องให้มันเห็นชัดอยู่เสมอไปไม่ใช่เห็นทีเดียวแล้วๆเลยอย่างนั้นมันก็ละอุปทานไม่ได้เลยก็การที่บางคนจะมาละอุปท า, าคนความยึดมั่นในขันห่านี่ได้เราก็ต้องอาศักยการเจริญวิปัสนาพ่อจิตใจนี่ตอนจิตใจนี้ไปนื่ออนให้มันรู้แจ้งในขันห่านี่ตามเป็นจริง ความจริงของขันห้าเป็นอย่างไรก็รู้จริงตามเอาเปจริงอย่างนั้นขันห้ามันไม่เที่ยงรู้จริงตามสภาพนั้นว่ามันไม่เที่ยงจริงขันห้ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนไปอยู่เรื่อยก็เห็นขันห้าตามสภาพเอ้าเป็นจริงอย่างนั้นของจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันแปรปรวนวนไหวไปอยู่เรื่อยๆ แม้เวลาปกติอยู่ไม่เจ็บไปไข้ก็ตามนะมันจะวิบัตอยู่เนะี่ผันห้าอันนี้ยิ่งคนอายุมากแล้วก็ยิ่ง <c oughs> <c oughs> เห็นได้ชัดๆเลยเจ็บโรคปวดนี่อะไรท่ขของขาสะอ่อนแอลงไปอะไรก็ไม่ขึ้งแข็งเหมือนเดยกหนุกมนั่งลงไปแล้ว เ, เวลาจะลุกขึ้นนี่ก็ต้องลำบากเต็มที อย่างนี้แนะนอนลงไปแล้วกว่าจะ ล, ลุกขึ้นได้ก็ลาบากเต็มที่นี่มันเรื่องของสังขารร่างกายอันนี้เน่เมื่อมันพุดตกลงไปแล้วมันต้องสแสดงอาการให้เห็นแต่ผู้ที่ไม่ภาวนาไม่เจริญสมาธิปัญญายให้เกิดขึ้นแล้วมันถึงแม้ว่ามันจะทุกข์มันจะยากลาบากอย่างไร นั่นก็อวยก็อวยมระจั้มันก็ไม่ไม่สนใจ <c oughs> มันก็ไม่สนใจที่จะมาพิจารณาขันธ์หอานี้ให้เกิดนิพพานคมเบื่อหน่ายเพื่อจะได้คลายความยึดความถือคนไม่รู้แนวทางนะมันก็ปฏิบัติไม่ถูกเลยไม่เคยสนใจเรื่องภาวนาภาวนานี่ทำอย่างไรบ้าง อย่างนี้นะเมือม่อเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็จะไปเอาอะไรความวิจารณ์นั่นแหละสำหรับผูรู้แนวทางแล้วมันก็นาเดินไปอย่างนี้แหละเลื่อยไปขอให้พากันเข้าใจอันนั้นเป็นทาง เ, อองเดินของจิตนี่ทางเดินของร่างกายทางถนน ที่เขาปรับปรุงเรียบราาดีแล้วนะ<ม>เดินไปนก็ไม่มีพวกมีหนามทําท้าออกไม่มีหลุมมีบอ่อให้ตกลงไปในหลุมในบอ่อนี่ทางเดินเขาพยายามปรับปรุงให้มันเรียบราถึงจึงค่อยเดินไปสะดวกสบายไปอันนี้ทางเดินของจิตใจมีกเหมือนการเราก็ต้อง ทำหน้บบาที่เด่นบาปประทำนี่ออกไปจากจิตใจแล้วใจนี้มันจะคิดไปทางไหนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเลยมันมันจะไม่คิดไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษมันคิดไปในทางที่เป็นประโยชน์ตนแล้วก็อื่นเท่านะั้นใจที่ออกร้อมให้มีสมาธิมีปัญญามีสติแล้วนะเนี่ยมันเป็นยังไงให้มากานสังเกีตดู้ให้ดี มันจะประคับประคองจิตตัวเองนี่ให้มีความรู้สึกต่อสังขารธรรมทั้งหลายในโลกอันนะี้ต่อสังขารโลกปณิสังขารธรรมปณิมันก็จะทําจิตให้เป็นกลางวาแกให้เป็นหนึ่งอยู่ต่อสัพพะสังขารทั้งหลายอย่างนี้เรื่อยไปเพราะสังขารธรรมได้แก่ ปัญญาที่สังสารให้สังสารแต่จิตใจให้เป็นบุญกุณยปัญญาที่สังสารสังคารแตงใจให้คิดเป็นธรรมบาปกุณย์นิชาที่สังสารสังารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปกุณย่อุปจินนกคสังารสังสารที่มีใจครองเช่นลขนราศีชาติาวนิพพาน อาจลบปฐินหนกดักสังสารสังสารที่ไม่มีใจคลองเช่นต้นไม้ใบหา้าภูเขาหินตายกรวดแม่น้ำอ่ารทองอะไรต่างเนี่ยเรียกว่าเป็นสังสารที่ไม่มีวิญญาณคลองสังสารทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ ย, ยั่งยืนมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในชั่มกลาง แต่ดับในที่สุดนี่เราพยายามกำหนดพิจารณาให้มันรู้มันเห็นอย่างนี้ให้สม่งเสมอติดต่อกันไปเลยยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเรารกร็กำหนดพิจรารณาเห็นสังขารทั้งมวลดังกล่าวมาแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, าานอัตตาอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าจะจำอเอาแต่ตัวหนังสือได้ไปแล้วแล้วไปเลย ไ, ไม่ไม่ได้น้อนคอยที่นายเห็นเนจียมแย่งเลยใจอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเเมื่อเรารู้ว่าสังขารนามลูกหรือขันห้านี่ก็ดีนอกจากขันห้านี่ไปก็นี้เมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราอ่าน้องมสติเข้าไปสอนใจเชื่อใจ ให้เบื่อให้ได้ไม่ให้มันยึดมันถือสอนใจให้มันคลายความยินีร้ายในขันต่างๆต่างๆนี่ลงอย่างนี้แหละความรู้วันนี้มันจะยิ่งได้ก็อาศัยที่เรามันคิดมันพิจารณาเห็นแจ้งในสัจฐานนามรูปวนนี้ตามเป็นที่เรื่อยไปเมื่อพีจารณเห็นแจ้งแต่รับตั้งแล้วก็ปล่อยวา่า เมื่อปล่อยวางจิตราก็จะรวมเป็นหนึ่งลงไป